อย่างเจริญเมตตาเมตตามีอะไรเป็นอารมณ์มีสัตวเป็นอารมณ์สัตว์นะ ต, ต้องปียะมานาปะด้วยนะสัตว์ใช้ใช้ไม่ได้ <c oughs> นะต้องเป็นสัตว์ที่เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจเป็นอารมณ์อันอุบายอะไรที่จะให้ตัวเองเป็นที่รักที่เจริญใจก่อนบางคนนี่ตำหนิตัวเองบ่อยนะแสดงว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นที่รักที่เจริญใจนะนึกถึงตัวเองเมื่อไหร่ก็กินแหนงแคลงใจ นื้ถึงตัวเองเมื่อไรก็แหมเรามันไม่ดีมันอาภัพผมไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้ใช่ไหมก็น้อยเนื้อต่ําใจเกิดตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เมตตาแล้วนะไม่ใช่ปิยะมนาปะและแสดงว่าขาดเมตตาต่อตัวเองนี้ทํายังไงเราจะเมตตาต่อตัวเองจริงๆใช่ไหมถ้าอย่างคนที่ศึกษ า, าศาสนาดีจะรู้ว่าเออที่เรามาศึกษ า, าศาสนาเนี่ยเราต้องการความสุขใช่ไหม เออนะักที่มาให้ศึกษาพระธรรมคําสอนทั้งอ่านทั้งเรียนทั้งเขียนทั้งอ่านทั้งพูดทําทุกอย่างเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนากุศลส่วนอื่นๆเ น, นี่ยทำทั้งหมดเพื่อความสุขใช่ไหมใช่ไหมเราก็จะรู้เออเราทําเพื่อความสุขนะเออเราเราไม่ต้องการมีความทุกข์เลยที่เราทําทั้งหมดเนี่ยเพื่อความสุขทั้งชาตินี้สุขทั้งชาติหน้าต้องการสุขอย่างยิ่งอะไรที่เขาว่าสุขเราต้องการหมดอาจจะว่าไหม เห็นเราก็อยากเห็นสีที่ดีๆสีที่เป็นสุข่อยเสียงเราก็อยากได้ฟังเสียงที่เป็นสุขอาหารใครไม่อยากเป็นสุขมั้งอยากทานอาหารทุกๆไหมไม่มีนะก็อยากอะไรที่มันรับความสุขเลยแว่สุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขเรียกว่าสุขภาพก็ต้องดีเป็นต้นด้วยไม่อยากมีเวรไม่อยากทะเลาะเบะแหวงกับใครอยากมีความสุขนั่งสมาธิก็อยากให้สงบอ่านพระธรรมคำสอนก็อยากทั้งทรงจํานั่งให้มันคล่องแห้มันดีไปหมดเลย แต่แล้วถ้าเรารู้แบบนั้นปั๊บเนี่ยนะเราจะเห็นใจเราจริงๆเลยนะจะหวังดีปรารถนาดีต่อตัวเองเออคนอื่นให้เขามาศึกษาพระธรรมเขาต้องการอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมเออขอให้ทุกคนมีความสุขนะมันก็เริ่มขยายความคิดอันนี้ออกไปได้แล้วแต่ถ้าหากว่าความคิดเหล่านั้นไม่ค่อยเกิดนะเมตตาก็เกิดไม่ได้เมื่อเมตตาเกิดไม่ได้ปั๊บไปเรื่องอื่นเลยนะสัตเพศสัตวตาขอให้สัตว์บ้านนะั้นมีความสุขก็ไปและวเขาเออเขาทําอะไรอยู่นะ ก็ไปเรื่องอื่นนะไปเรื่องอื่นก็ยังนึกว่าเมตตาอยู่นั่นแหละเข้าใจผิดแล้วนะเพรา ะ, ะนั้นประคองไออารมณ์อันนั้นไว้ให้ดีนะประคองว่าปิยมนาปะเนี่ยเขาเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจจริงๆนะนะเขาเป็นที่รักที่เจริญใจจริงๆนะไม่ต่างจากเรานะซึ่งเราจะได้ฟังต่อไปว่ามารดาถนอมบุตรคนเดียวใช่ไหมที่เกิดในตนะเขาคิดถึงบุตรเนี่ยเขาคิดด้วยจิตอย่างไรเ เขาคิดด้วยจิตใจที่สดชื่นจิตใจที่แช่มชื่นตลอดเวลานะเมื่อคิดถึงลูกเขาอะยอมหลายคนนี่เขาเล่าให้ฟังก็บอกว่าโยมทํางานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเรื่องอะไงาก็บอกว่างก็เหนื่อยเหมือนกันแหละท่านครับว่าแต่กลับไปบ้านนะเวลาไปพูดไปคุยกับลูกไปอะไรกับลูกเออมันมีความสุขมันเบาความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยหายหมดเขาว่ามียอมอยูคนหนึ่งเขาเขาเพิ่งอายุยี่สิบเสร็จเส็จพอมีครอบครัว นีมีครอบครัวเขาได้ลูกลูกสาวลูกสาวเขาเพิ่งเพิ่งคลอดไม่กี่เดือนแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยสู้ใจขาดเลยนึกถึงลูกเมื่อไหร่มันสดเชิ่นครับว่ามันมีความสุขมันทําให้ขยันขันแข็งโอ้ทำงานเนี่ยอดหลับอดนอนนะแต่สู้เขาคิดถึงลูกอะ่ะคนที่รักลูกๆกมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะนั่งคนที่เขารักลูกจริงๆจะเป็นลักษณะนั้นฉันใดคนที่มีเมตตาเวลานึกถึงคนอื่นก็ลักษณะเดียวกัน แต่อย่าลืมว่าคนที่อบรมเมตตานั้นโดยที่มีเมตตาต่อตัวเองเป็นพื้นฐานก่อนเราต้องการความสุขคนอื่นเขาก็ต้องการความสุขเราหิวคนอื่นเขาก็หิวนั่นแหละถ้าจะเจริญกรุณานก็จะเป็นลักษณะนั้นนะก็ปราบความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งว่าเออความทุกข์เหานี้อย่าได้เบียดเบียนเหล่าสัตว์เลยนะอันนี้ก็เป็นเมตตาไปทำยังไงเราจะขยายความคิดอันนี้ให้ความคิดอันนี้มันเกิดได้ยาวนานต่อเ น, นื่อง ต่อเนื่องทุกๆอิรยาบทไปแต่ผู้ที่จะมีคุณสมบัติลักษณะอย่างที่ว่าไปแล้วนี้ในเมตสูตรกล่าวถึงมีคุณสมบัติก่อนใช่ไหมผู้ที่จะรักษาไอ้เมตตาความคิดอันนี้ให้สืบเนื่องกันถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยนะของเราก็ฟังเพื่อที่จะได้มีศรัทธานะสิ่งเหล่านี้คือพรกนะตรายนะเรากออ็ผู้ที่เขาปฏิบัติได้แบบนั้นมีอยู่ สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติอย่างนั้นมีอยู่ท่านเหล่านั้นมีคุณสมบัติเหล่านั้นมีอยู่ผู้ที่จะเจริญเมตตาเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเจริญแผ่ความหวังดีให้แก่คนอื่นเนี่ยคุณสมบัติอะไรบ้างใช่ไหมต้องเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์ใช่ไหมอันั บ, บแรกเลยฉลาดในประโยชน์และมีใช่ประโยชน์อะไรคือประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ น, นะถ้าผิดศีลผิดธรรมผิดรู ผิดรูปผิดรอยผิดร่องผิดรอยเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดชื่อว่าไม่ฉลาดแล้วนะหรือว่าฉลาดในเรื่องที่ไม่ควรฉลาดแต่ถ้าฉลาดก็คือสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนได้อย่างบริบูรณ์พระพุทธเจ้าบอกว่าเดินก็เดินพระพุทธเจ้าบอกว่านั่งก็นั่งพุทธเจ้าบอกว่าก้มก็ก้มนะก็เป็นลักษณะเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าก้มมีไหมบอกว่าเพิ่งทำศึกษาว่าเราจักนะแลดูอะ ให้ให้อยู่ในปริมณฑลนะการแลไม่ใช่โอ้บินทบาทล็อกๆเหลียวซ้ายแลขวาอันนี้เนี่ยถ้าไม่เอื้อเฟื้อเป็นอบัติพระองค์ให้แลตามๆหน่อยเออก็แลตามๆหน่อยอย่างเงี้ยจะแลจะเหลียวจะคู่จะเข้าจะเหยียดจะออกเนี่ยพระองค์ว่ายังไงก็พยายามที่จะปฏิบัติไปตามนั้นลักษณะนี้เรียกว่าฉลาดในประโยชน์แหละเพราะคนที่จะเจริญการมาฐานส่วนหนึ่งนะศรัทธานในพุ้ตระคุณต้องต้องดีก่อนแล้วว่า คำพูดของพระพุทธเจ้าผู้เป็นธาตุอาหารตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยไม่ไร้ประโยชน์อย่างแน่นอนเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญเรามีศรัทธาอยู่แล้วใช่ไหม<อ>เพราะองค์แห่งพระสูตผู้มีความเพียรมีกี่อย่างมีห้าอย่างนะนะองค์ของผู้ประกอบความเพียรมีห้าอย่างหนึ่งข้อหนึ่งคือข้อหนึ่งมีศรัทธาในพระธรรตรายจริงๆเลยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเลย นับตั้งแต่อรหังจนถึงพระวาริเนี่ยนะศรัทธาจริงๆเยมีศรัทธาในอรหันต์ข้อสองข้อสองยังไงมีอ า, าพาธน้อยนะสุขภาพดีข้อสามไม่โอ้วนไม่มีมายาเป็นต้นข้อสี่ปรารบความเพียรข้อห้ามีปัญญานะข้อหมีปัญญา t h i คุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบความเพียร ฉันสามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และมีใช่ประโยชน์ทีนี้ต่อไปอีกนะฉลาดในประโยชน์และอะไรพึงบำเพ็ญไต่สิกขากูบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหารใช่ไหมอาจหารเป็นผู้ตรงเป็นผู้เสื้อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสันโดษเลี้ยงง่าย มีกิดน้อยมีความประพฤติเบานะแล้วก็ไม่ขานองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายซึ่งวันนี้ก็จะมาต่อความไม่ขานองใช่ไหมว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะสา ม, มารถเจริญเมตตาเป็นต้นนั้น่ะต้องมีอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นคนที่ไม่ไม่ขานองในหน้า377ดเนะ<ม>เห็นไหนะ ห, หน้า377 ย่อนหน้าสุดท้ายเลยข้างล่างสุดว่าเชื่อว่าไม่ขนองเพราะอาจว่ากุลบุตรไม่มีความขนองก็คือความขนองเป็นยังไงเว้นจากความขนองทางกายมีแปฐานะความขนองทางวาจาสีฐานะและความขนองทางใจมีหลายฐานะอ่า น, นะดูที่ว่าคนขนองเนี่ยคือขนองเป็นยังไงนะคือขนองมีทางกายทางวาจาและทางใจ การกระทำความไม่สมควรทางกายในการเข้าไปหาสงฆ์คณะบุคคล ร, รงฉันะนะเรือนไฟท่าน้ำทางพิขาจารและในระหว่างเรือนชื่อว่าความขนองทางกายมีฐานะ8นะแปดอย่างนี้เรียกว่าผู้ที่ไปประพฤติไม่ดีใ น, ใน8แห่งนี้เรียกว่าขนองทางกายข้อแรกก็คือภิกษุบางรูปในาศาสนานี้นั่งรัดเข่า หรือนั่งหรือนั่งคำเท้าในท่ามกลางสมนั่งแบบเท้าสะเอวเป็นต้นะนะซึ่งกิริยาที่ไม่เหมาะสมเวลาเข้าสู่คณะสมนั่งรัดเข่าไปนั่งกิริยาที่ไม่สุภาพพวกนี้ก็ชื่อว่าคานองกาย <c oughs> ก็นี่เป็นประเพณีไทยนะคนไทย น, นิยมมากนะก็ได้จากประเพณีเหล่านี้แหละไป ซึ่งไปนั่งตอนหน้าผู้หลักผู้ใหญ่นี่จะเป็นนั่งปลายห้างไม่ได้นะจะเป็นนั่งกิริย า, าการที่ไม่สมควรไม่ได้ก็จะรูปแบบเหล่านี้นั่นเองต่อไปนะในท่ามกลางคณะก็อย่างนั้นก็คือไม่ไปนั่งรัดเข่าเป็นต้นนั่นเองหรือในท่ามกลางคณะได้แก่ประชุมบริษัทสนีะ่เวลาเข้าสู่พุทธบริษัทสี่นั้นเวลานั่งเวลายืนเป็นต้นนี่ก็ต้องเรียบร้อยนะ และก็ในบุคคลผู้แก่กว่าก็ต้องให้เกียรตินะสามแล้วนะข้อแรกก็คือในสงในคณะและในบุคคลทีนี้ข้อสี่ก็คือในโรงฉันย่อมไม่ให้อาสนะแก่ภิกษุผู้แก่ทั้งหลายย่อมกีดการภิกษุผู้ใหม่ทั้งหลายด้วยอาสนะอย่างนี้ชื่อว่าขนองในโรงฉันนะไปนั่งเนี่ยไม่รู้ว่าที่นั่งของตัวเองเนี่ยตรงไหนไม่รู้ว่าไปนั่งแแมบนที่นั่งของพระเถระเลย นะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยหมายเลขที่เท่าไหร่นะไปนั่งต้นๆเลยอ่ะพระองค์แก่ๆท่านงงกันเหมือนไงหรือไม่ก็ไปนั่งท้ายสุดอีกพระใหม่นี้มันงงว่าจะทํำยังไงเนี่ยนะมันก็ต้องรู้ว่าเออเราเนี่ยควรจะนั่งตรงไหนที่จะเหมาะสมนะหรือว่าอย่าไปนั่งผิดที่ผิดทางกันแล้วกันในเรือนไฟก็อย่างนั้นก็ในเรือนไฟนั้นไม่ขออนุญาตพระพิสุขผู้แก่ทั้งหลายทำกิจทั้งหลายมีการก่อไยเป็นต้นนะ เช่นในโรงไฟนี้ก็คือคล้ายๆกับพวกอบความร้อนอ่ะนะมันก็ต้องมีการเติมไฟไปเรื่อยๆมันต้องขออนุญาตพระแก่ในนั้นก่อนแล้วค่อยเติมไฟได้ค่อยอะไรได้นะถ้าไม่ขออนุญาตเป็นอาบัติไหมเป็นอาบัติ้วยนะเป็นอาบัติทุกกฎอันในโรงไฟนี้ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ชื่อว่าขนองกายทีนี้ต่อไปในท่าน้านะเวลาไปส่งน้ำ ท่านกล่าวว่าเพิ่งอาบน้ำตามลำดับผู้มาโดยไม่ทำการกำหนดว่าผู้หนุ่มผู้แก่ภิสูจบางรูปไม่เอื้อเฟื้อแม้ในเรื่องนั้นนะนะมาทีหลังก็ลงน้ำเบียดพระเถระผู้แก่และก็ผู้ใหม่นะก็คือไม่รู้ว่าหน้าใครหน้าใครไม่สนใจสักอย่างเลยถึงกับโคมความโคมความนะไม่ไม่ดูลักษณะนี้ก็เป็นเป็นอาบัติด้วยนะ ส่วนในทางพิกขาจารย์ก็เดินไปข้างหน้าข้างหน้าของพิกสุ่ผู้แก่ทั้งหลายเพื่ออาสนะที่เลิศน้ําที่เลิศปิณธบาต ท, ที่เลิศเอาแขนกระทบแขนเข้าไปก่อนกว่าพิกษุผู้แก่ทั้งหลายเห็นอาหารก็เหม็นเข้าจะใสบาสนี้ก็เดินไปโฉบเขาก่อนอย่างเงี้ยนะรู้ว่าพระแ ก, ระาาก่พระมีพวามสามากพระเถระอะไรก็ไปกิริยาที่ไม่สมควรหรือว่าในการเข้าไปในระหว่างเรือนย่อมทําการเล่นทางกายแม้ด้วยพิกษุหนุ่มทั้งหลายดังนี้เป็นต้นนะนะ เวลาเขาไปนั่งฉันในบ้านในอะไรก็ไปแสดงกิริยาอาการที่ที่ไม่เหมาะสม อ, ะอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าขนองกายในฐานะ8นะส่วนขนองวาจาขนองวาจาการเปล่งวาจาไม่สมควรในสงฆ์คณะบุคคลในระหว่างเรือนนี้ชื่อว่าคณะความขนองวาจามีฐานะ4คือพิสูจนบางรูปในาศาสนานี้ไม่ขออนุญาตแสดงธรรมในท่ามกลางสงฆ์คณะและบุคคลผู้แก่กว่า คือตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่มีพันธามมากที่สุดในที่ตรงนั้นะนะแล้วก็ไม่ขออนุญาตก่อนกล่าวทำแสดงทำตอบปัญหาแก้ปัญหาทุกอย่างเลยนะไม่ได้ถ้าไม่ขออนุญาตเป็นต้นก่อนเนี่เป็นอับัตยด้วยก็บอกว่ามีประการที่กล่าวแล้วในการก่อนก็อย่างนั้นเหมือนกันหรือว่าพิสูุบางรูปถูกมนุษย์ทั้งหลายถามปัญหาในท่ามกลางสงนั้นไม่ขออนุญาตพิสูจผู้แก่กว่าแก้ปัญหา ในในในที่ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนขอโอกาสขออนุญาตก่อนจึงจะได้ส่วนในระหว่างเรือนกล่าวคําอย่างนี้ว่าในที่ชื่อนี้มีอะไรมีข้าวยาคูมีของขบเคี้ยวของขบฉันท่านจะให้อะไรแก่เราในวันนี้เราจะขบเคี้ยวอะไรฉันอะไรดื่มอะไรดังนี้เป็นต้นใช่ไหมไปถึงบ้านโยมป่ะเอ้โยมเอาอะไรเลี้ยงพระวันนี้ ง่ายมีมีของหวานหรือเปล่าอย่างนเงี้ยก็แซวไปเรื่อยถามไปเรื่อยลักษณะนี้เรียกขนองวาจาใน่้มกลางเรือนใกล้ได้เวลาช้นเลยนะอะไรเนี่ยก็คำพูดพวกนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมเรียกว่าขนองวาจาการไม่ถึงอัาจฉรจยารด้วยกายและวาจาในฐานะเหล่านั้นนั้นเลยตรึกถึงสิ่งที่ไม่สมควรมีประการต่างๆ มีการมวิตกเป็นต้นด้วยใจอย่างเดียวชื่อว่าความขนองใจมีฐานละล้าอย่างนะคือกายนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราแต่ก็นั่งฟุ้งซ่านนั่งโทสะอันนี้ก็ขนองใจเลยนะนั่งโลภะก็ขนองใจนั่งโมหะก็ขนองใจสรุปแล้วไม่ให้เจรณา ก, กุศลนสักข้อเลยอ่ะเพราะท่านดีเนาะน่าทําบุญใส่บากระท่านนะมีหน้าเนาะว่าพระสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคนั้นเมื่อปฏิบัติตามแล้วเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญจริงๆ อันถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะยังเรียกว่ายังศรัทธาของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เกิดขึ้น น, นะยังความเลื่อมใสของบุคคลที่เลื่อมใสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือคนนสมบัติเคอไม่คะนองทีนี้ต่อไปอ ก, อกุเลสุอ น, อนุคิตโตก็คือไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายที่ตนเข้าหา ด้วยความอยากในปัจจัยหรือด้วยอำนาจแห่งการคลุกคลีกับเครือขัดอันไม่สมควรนะในกิจการงานที่ไม่เหมาะสมนี่ไม่ได้อธิบายว่าไม่เศร้าโศกด้วยไม่เพลิดเพลินด้วยไม่สุขในสกุลที่มีความสุขไม่ทุกข์ในสกุลที่มีความทุกข์ไม่ถึงการประกอบด้วยตนเองในกรณียกิจทั้งหลายที่เกิดขึ้น น, นะคือต้องไม่ใช่ว่าโหยมเขาได้ดีก็ไปดีใจร่วมแสดงความดีใจกับเขาด้วย เขาเสียก็ไปแสดงความเสียใจกับเขาด้วยไม่ต้องสักอย่างเลยก็เรื่องของเขาไปเราก็เรื่องของพระมาเรื่องของพระหน้าที่ของพระทําอะไรบ้างก็ทํากิจไป น, นะลักษณะนี้เครียกว่าไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายแต่ถ้าไปเยี่ยมไข้นี่มีเพราะจะได้ไปแสดงทำไปอะไรให้ลักษณะ น, น, นี้นะถ้าเขาเจ็บเขาป่วยเป็นต้นอยากฟังทำอะไรนี้ก็มีการเกี่ยวข้องกันอยู่อันนี้เจอหลายแห่งในพระไตรพิตรอันนะคุณสมบัติเหล่านี้คือคุณสมบัติของผู้ที่ จะเจริญกรรมฐานพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสบอกกิตที่ควรทําแม้ยิ่งกว่านั้นแก่พิสูจนผู้อยู่ป่าโดยพิเศษเพราะว่าคิดดูนะทำไมจึงเน้นมากกับคนอยู่ป่าพรอยู่ป่านี่ก็อยู่เกี่ยวข้องกับผีสางเทวดามากผีสางเทวดานี่เขามองออกว่า ง, งั้นอะไรเป็นอะไรคําพูดเนี่ยจะพูดด้วยจิตชนิดจะพูดคําพูดหวานขนาดไหนก็ช่างเทวดาไม่สนใจตรงนั้นนะดูว่าคุณภาพจิตที่พูดเนี่ยเป็นยังไง เทนะวดาเนี่ยเขารู้ใจนะเขารู้วาระจิตเพราะฉะนั้นกิริยามารยาทเหล่านี้เนี่ยต้องปฏิบัติตัวจนถึงขนาดว่าผีก็ตำหนิไม่ได้ว่างั้นผู้ประสงค์เพื่อจะตรัสรู้สันตบทนี้หรือใครเพื่อปฏิบัติเพื่อบรรลุสันตบทอย่างนี้แล้วนะแนะนำวิธีการทั้งหมดบัดนี้ทรงพระประสงค์เพื่อจะตรัสบอกกิจแม้ไม่ควรทำะนะยังยังไม่พอนะไอ้ที่ว่านี่ดีละ ยังมีอีกข้อนึงนะน่าสนใจก็คือมีกิจที่ไม่ควรทำะนะจึงตรัสว่าและไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรอะไรซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอื่นตีเตียนไดนะ้ต้องไม่ทำความชั่วยังได้อย่างหนึ่งให้บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าตำหนิได้เลยในคาถานั้นมีเนื้อความว่าเมื่อทำประโยชน์ที่ควรทาอย่างนี้นะเชื่อไม่พึงประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจาและทางใจที่เรียกว่าเล็กน้อยคือลามกเหมือนกันและเมื่อไม่ประพฤติทุจริตเล็กน้อยพึงประพฤติทุจริตหยาบอย่างเดียวก็หาไม่ได้บอกว่าโอ้โหบาปเล็กๆไม่ทำเลยทําแต่บาปใหญ่ๆอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวไปเสิร์ อ, อีกโอโ้บาปใหญ่ก็ไม่ต้องทํานะบาปเล็กไม่ทํานี้บาปใหญ่ไม่ต้องพูดถึงและเมื่อไม่ประพฤติทุจริตเล็กน้อยอย่างนี้นะแต่พึงประพฤติทุจริตลายเล่า เมียอธิบายว่าไม่พึงประพฤติทุจริตประมาทน้อยคือแม้เล็กน้อยแต่นั้นพึงประพฤติคือแสดงโทษอันจะพึงเห็นเองของทุจริตนั้นซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอื่นติเตียนได้ เ, เขาบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติพรหมจรรย์เนี่ยนะบำเพ็ญวัดปฏิบัติเนี่ยนะถ้าตำหนิ ต, ตัวเองได้ในภายหลังวัดและพรหมจรรย์นั้นไม่มีผลมากเลยก็าบองั้นนะ วัดปฏิบัติใดนั้นจะต้องไม่ตําหนิตัวเองได้ในภายหลังวัดปฏิบัติเหล่านั้นจึงจะมีผลมากมีอนิสงส์มากแต่ก็ไอ้ไม่ตําหนินี่ก็ได้ออกผ่านการตรวจสอบเลยนะไม่ใช่ว่าเออเียกว่าเข้าข้างตัวเองด้วยอํานาจกิเลสเนี่ยนะบอกว่าอของฉันต้องดีหมดอันนี้ไม่ใช่นะนะต้องผ่านการตรวจสอบทุกกระบวนความลนะในคาถานี้เพราะผู้ไม่รู้เหล่าอื่นไม่เป็นประมาณนะคำชมคําติเนี่ยนะคนโง่นี่ยอย่าไปเอาเป็นประมาณ ด้วยว่าผู้ไม่รู้แม้เหล่านั้นย่อมทําสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีโทษให้มีโทษบ้างย่อมทําสิ่งที่มีโทษน้อยให้มีโทษมากบ้างส่วนท่านผู้รู้ทั้งหลายเท่านั้นเป็นประมาณเพราะท่านผู้รู้เหล่านั้นพิจารณาแลว้วใคร่ครวนแล้วย่อมกล่าวติเตียนแก่คนผู้ควรติเตีนยนย่อมกล่าวสารเสริญแก่คนผู้ควรสารเสริญ น, นะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้านะ ว่าเอ๊เราปฏิบัตินี้ขัดแย้งกับพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกอัตถกถามไหมถ้าขัดแย้งก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ฉะั้นคนที่จะตรวจสอบได้ก็ต้องสามศึกษาหน่อยแล้วก็ตรวจสอบตัวพฤติกรรมกายกรรมทั้งตัวเองทั้งหมดเลยนะว่าเป็นไปตามแนวคำสอนไหมถ้าไม่เป็นทํำยังไงก็ทําคืนนะชำระคืนอย่างที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าวินยูเะเรวินยูก็คือผู้รู้นะ แต่ทีนี้ถ้าเป็นที่อื่นนะวินยูก็คือถ้าเป็นในธรรมคุณนะวินยูฮีเตะวินยูอันนั้นก็คืออุคติตันยูวิปจิตตันยูในยาบุคคลนะนะผู้นั้นอนะเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะตรัสรู้พระธรรมคําำคำสอนของพระผู้มีพระภาคได้แต่วินยูตรงนี้ก็คือผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไข่ครวนเป็นไปตามพระธรรมคําำคำสอนหมดเขาไม่ได้กล่าวด้วยอคติเพราะฉะนั้นอ่าพิสุผู้เป็นบรนประชิดนี่พระองค์จึงตรัส ไว้ให้พิจารณาตัวเองเนืองๆเลยว่าตัวเราเองติเตียนตัวเองโดยศีลได้หรือไม่วินยูชนเนี่ยนะวินยูชนหรือเพื่อนสะพรมจารีผู้เป็นวินยูชนเนี่ยมีสติมีปัญญามีความสามารถใคร่ครวญพิจรารณาไตรตรองโดยละเอียดแล้วติเตียนตัวเราโดยศีลได้หรือไม่ถ้าเขาแนะนำเนี่รับได้ไหมนะก็ต้องตรวจสอบตัวเองบ่อยๆด้วยเหมือนกัน พระผู้มีพระภาคจเจ้าครั้นตรัสอุปจาระแห่งกรรมฐานนะอุปจาระแปลว่าใกล้ๆกรรมฐานนั่นเองนะนะคุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานแห่งการเจริญกรรมฐานถ้าคุณสมบัติเหล่านี้อ่อนการปฏิบัติเป็นต้นก็จะอ่อนกนะุศลจิตจะอ่อนฐานไม่ค่อยดีนะเมื่อฐานากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมส่วนที่เป็นบาปอากุศลไม่ดีกุศลธรรมที่จะเกิดสืบเนื่องก็ยาก เพราะฉะนั้นพระองค์จึงแนะนำอ่ะนะถึงถึงอะไรถึงประโยชน์ที่ควรทําและไม่ควรทําแก่ผู้อยู่ป่าเป็นวัดโดยพิเศษผู้ใคร่เพื่อจะตรัสรู้สันตบทอยู่หรือผู้ใคร่เพื่อปฏิบัติเพื่อบรรลุสันตบทนั้นและแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่เพื่อจะเรียนกรรมฐานอยู่แม้ทั้งหมดนะคือไม่ใช่ยกภิกษุเอาเอาผดผที่อยู่ป่าทําอย่างนี้กันแล้วกันผ้าอยู่บ้านไม่ต้องเขาบอกว่าพระสารีบุตรท่านบอกว่า ขนาดอยู่ป่ายังต้องทำอย่างนี้เลยไปอยู่คนเดียวยังต้องขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นจะ ก, กล่าวไปยญยถึงพิสษุที่อยู่ในบ้านแล้วว่ากันแต่ก็โดยมีพิกษุอยู่ป่าเป็นวัดเป็นประธานนะด้วยสองคาถาสองคาถาไหนก็คือถ้าไปดูในหน้าแรกเลยนะก็คือกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ปราถนาเพื่อจะตรัสรูส้สารตบทพึงบําเพ็ญไตรศสก ข, ขา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 เราอื่นติเตียนได้สิ่งเหล่านี้นะทั้งหมดเหล่านี้เลยเรียกว่าอุปจาระแห่งกรรมฐานนะอุปจาระก็คือใกล้นั่นเองใกล้ต่อการเจริญกรรมฐานหรือทั้งหมดตั้งแต่ต้นมาจนถึงนี้เรียกว่าอาัธิศีลสิกขานะเราจะเห็นชัดิหนึ่งว่าคนที่มีคุณสมบัติหรือว่าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอัธิศีลนั้นจะต้องเป็นในลักษณะนี้นะจะต้องเป็นคนที่ลักษณะเป็นคน อาจฐานเสื่อตรงนะว่าง่ายคุณสมบัติเหล่านี้คือความอ่อนโยนเป็นคนสันโดษเป็นคนเลี้ยงง่ายนี่คือคุณสมบัติเหล่านี้นั่นเองของคุณสมบัติของผู้ที่มีอัฐิศีลสิกขานะเพราะว่าอันนี้รวบยอดแล้วว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้แสดงว่าปฏาิโมกสังวร น, นี่ดีนะอินทรีย์สังวร น, นี่ดีพิจารณาปัจจัย4ีนี่ดีถ้าพิจารณาอ่อนปับ๊บเอ๊ะบันติดตำหนินะ นะจะนึกถึงคำตำหนิใช่ไหมเอ็นี่เราทำข้อนี้ไม่บริบูรณ์นะก็ต้องอธิษฐานปรารบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยนะจงเตือนตนด้วยตนบ่อยๆนั่นแหละอันท่านก็จะใคร่ครวญเตือนตนด้วยตนฝึกตนด้วยตนนั่นเอง <c oughs> ทีนี้เสร็จแล้วเมื่อคุณสมบัตินะเรียกว่าอุปจาระกรรมฐานได้แล้วบัตรนี้เพื่อป ร, ริสป ร, ริสแปลว่าอนะไรแปลว่าเครื่องป้องกันน่เนาะโดย การทำลายความกลัวแต่เทวดานั้นนะมีเครื่องป้องกันคือเจริญเมตตาเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องป้องกันเป็นปริศและเพื่อกรรมาฐานด้วยอำนาจแห่งฌานอันมีวิปัสสนาเป็นบาทสำหรับภิกสุเหล่านั้นจึงเริ่มตรัดเมตตากรถานะก็อันนี้ถ้าหากว่าคนที่ที่จะปฏิบัติเอาฌานนะแต่ถ้าปฏิบัติ ว่าโหสละไปอยู่ป่าแล้วแม้ถ้าไปสันโดษมันก็คงไม่ใช่มั้งนะพระองค์ไม่ได้สอนให้สันโดษในกุศลมันได้ฌานก็ดีนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเราทั้งหลายก็ศึกษาเพื่ออันดับแรกก็คือคือไงก็ได้ลดบาปหน่อยว่าเออคนที่เขาไม่เคยมีโทสะนี่มีนะนั่นแล้ก็ฮิริโอตปาจะได้เกิดขึ้นแต่ถ้าปฏิบัติได้ก็ตามสมควรแก่สติกำลังถ้าได้ฌานก็ก็ดีแล้วอนุโมทนาด้วยนั่นแหละแต่ให้รู้เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะนะ การศึกษานั้นเราอย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำได้หรือทําไม่ได้แต่ให้ให้ฟังห่อะนะอริยาสาวกเป็นผู้ที่ฟังฟังแล้วจะได้กําหนดจดจําใคร่ครวนนี้ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งในในธรรมขันในธรรมขันวันนี้อ่านถึงคำภีร์เป็นวรรณกรรมสมัยพระเจ้าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกใช่ไหมราชการที่หนึ่งะนเะ ราชาการที่หนึ่งนี้ท่านให้ราชบัณฑิตคนหนึ่งเนี่ยแต่งแต่งไตรภูมิวินิจฉัยกถาก็คล้ายๆกับไตรภูมิพระร่วงบัณฑิตท่านนี้ท่านเก่งมากเลยท่านปเป็นคนที่แตกฉานทั้งพระไตยวิโดกัตถาและดีกาเพราะสมัยนั้นมีการศึกษาอย่างกว้างขวางาท่านก็แต่งถึงกล่าวถึงการเคารพสารเสริญพระรัตนตรัยด้วยท่านแต่ง ยกย่องผู้ทคุณนะท่านโดยรวบรวมจากคำพีต่างๆและท่านก็พารนาอย่างละเอียดเราะนั้นเราจะเห็นว่าสมัยก่อนนี้เขาเขาศึกษาละเอียดแล้วก็การศึกษาแบบละเอียดนั้นอ่ะท่านอธิบายว่าถึงปฏิบัติตามไม่ได้ก็ขอให้ได้คล้ายๆมีโสดได้ยินได้ฟังพอจะเป็นวาสนาบารมีต่อไปก็ได้นะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังของเราก็คือทาใจให้ถูกว่าเออนี้เป็น ทำบังสารนังข้าฉามิของเรานะแล้วแล้วท่านท่านยกข้อความตรงนั้นเนี่ยกล่าวเหมือนกับดีกาพระวินัยมากมบอกว่าดูก่อนอนุ์เราตถาคตนิพพานแต่เพียงผู้เดียวแต่เมื่อเราตถาคตนิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้า 84% 00มันองค์เนี่ยจะตามโอวาทอนุสาสนีแก่เธออันนท่านก็ยกข้อความอันนี้อันคำว่าพระพุทธเจ้า 84%,00 มองค์ก็คือ พ, พระธรรมคําสอนในพระไตรปิฎก 84% ดหมพันระธรรมอาคารก็เหมือนกับศาสดาของเธอทั้งหลายอตรงนี้เราก็เท่ากับศึกษาพระพุทธเจ้าอีกองคหนึง่งนะว่าเพราะพุทธพจน์เหล่านี้ก็คือพุทธวาระเท่ากับเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอันเราก็ได้ทําให้รู้จักว่า อ, อทัศน์ความคิดความเห็นของพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้นะอันนี้เราก็จะเห็นเห็นอะไรเห็นพระธรรมนะเห็นพุทธกุลด้วยเห็นธรรมคุณด้วยและ ผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ยุคใดสมัยใดก็ตามในยุคภิกษุที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ก็ตามหรือยุคหลังๆติดตามนั้นมาก็ตามผู้ที่ปฏิบัติเป็นไปตามแนว น, นี้เรียกว่าพระสงฆ์นะเวลาเราไหวเรากราบเป็นต้นเราก็จะได้กราบไหวพระสงฆ์ได้อย่างถูกต้องอทีนี้กล่าวถึงเรื่องเมตตาต่อนะว่าสุขินวาเคมิโนโหุนตสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตตาวเงินขอส์ทังปวง จงเป็นผู้มีสุขมีความกเกษมมีตนถึงความสุขเถิดะนะในในหน้าที่ที่แล้วเนี่ยทีนี้ท่านก็กล่าวว่าไอ้คำ ว, ว่าสุขฮิโนซจึงว่ามีความพร้อมพรั่งด้วยความสุขเคมิโนก็คือมีความกเมกษมเกษมยังไงก็คือไม่มีภยัยไม่มีอุปทวะท่านไม่ค่อยแปลว่าอุบตนะัติเหท่านบอกอุปัทวะทับศัพท์เลยจริงก็คือ อยากให้สัตว์นี้ไม่มีภยัยภัยนี้แปลว่าอะไรภัยนี้แปลว่ามีสองความหมายนะคำว่าภายัยหนึ่งหมายถึงโทสะที่เกิดขึ้นสะดุ้งกลัวเพราะภัยนี้แปลว่าความกลัวความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตนะขนพองสยองกล้าวขึ้นมาเลยสภาพจิตที่เป็นอกุศลนะสายโทสะอันนี้เรียกว่าภัยอย่างหนึ่งข้อสองก็หมายถึงสิ่งที่น่ากลัวน น, นัสองอย่างนี้เป็นชื่อของคําว่าภายัย เพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาก็คือไม่อยากให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความสะดุ้งในใจเลยและไม่อยากให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไปเจออารมณ์ที่น่าหวาดเสียวที่น่าหวาดกลัวไปเจอปัญหาที่ไม่น่าเป็นอ่ะฉะนั้นคนที่มีเมตตาต่อสัตว์ก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่สังเกตดูตรงนี้เอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่เจริญเมตตาให้ตัวเองก่อนสังเกตไหมสังเกตไหมทำไมมันขัดกับวิสุทธิมรรคที่เราศึกษาหรือเปล่าทําไมคุณสมบัติทําไมบอกให้สัพเพสตา ไปเลยนะให้ศัพท์ทั้งร้ายมีความสุขไปเลยเพราะว่าถ้าคนที่เมตตาต่อตัวเองอ่อนจริงๆอ่ะจะมีคุณสมบัติที่ว่าง่ายอ่อนโยนไม่เยอะยิงไปต้นไม่ได้อั้นคนที่มีเมตตาต่อตัวเองจริงๆนั่นแหละท่านจึงสา ม, มารถที่จะบำเพ็ญอธิศีลสิกขาให้ให้บริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นอาการที่ท่านปรารบสมาทานในการเจริญกุศลทั้งหมดเหล่านั้นแหละเป็นการเมตตาต่อตัวท่านเองอย่างจริงๆอยู่แล้วนะ แล้วก็สัพเพได้แก่ที่เหลือลงสัตตาได้แก่สัตว์มีปรานทั้งหลายนะก็คือหมายถึงสัตว์ที่มีลมหายใจนะแล้ที่สุดแม่เล็กคําว่าสัตที่มีคำว่าสัตว์ที่มีปรานนี้หมายถึงสัตว์ในปัญจโวการภูมิแบบนั้น<ะ>สุขิตตาตาได้แก่ว่าผู้มีจิตเป็นสุขนะวะ่มีความกเกษมนะตรงนี้เนี่ยมีคําที่เป็นเมตตาอยู่3ามคำสุขิโนขอให้สัตว์มีความสุขนะ 2. เขมิโนขอให้สัตว์มีความกเกษมคือไม่มีภยัยไม่มีอุปทวะ 3. ส, สุขิตตตานะขอให้เขาเป็นผู้มีจิตถึงความสุขเธอทีอนี้ท่านก็อธิบายเป็นบทสรุปว่าสัตว์มีชีวิตทั้งหลายผู้ศึกษาเพิงทราบว่ามีสุขด้วยสุขทางกายมีตนถึงความสุขด้วยสุขทางใจเนี่ยก็คือปรารถนาให้เขามีความสุขกายและสุขใจ หรือว่ามีความกเกษมด้วยสุขแม้ทั้งสองอนะไอนนเคมิโ น, โนเนี่ย า, าสุขิโนโ น, นี่ก็คือสุกายสุขใจกเกษมก็คือสุขทั้งสองส่วนสุขิตาตาก็คือด้วยการปลอดภัยจากอุปัตวะทั้งปวงอันนี้เรียกว่าสุขิตาตาเป็นคนที่มีความสุขมีความเจริญเอนอะถามว่าเพราะเหตุไรจึงตรัสอย่างนั้นเล่านะทำไมพระองค์จึงตรัสอย่างนี้ ตอบว่าเพราะเพื่อแสดงอาการแห่งเมตตาภาวนานี่คือลักษณะของเมตตาภาวนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะมีจิตเป็นลักษณะนี้จริงอยู่พระโยคาวจรพึงเจริญเมตตาอย่างนี้ว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขเถิดหรือว่าจงมีความเกษมเถิดหรือว่าจงมีตนถึงความสุขเถิดปรารถนาให้สัตว์มีความสุขเต็มที่เลยว่างั้น เจริญเมตตาให้เทวดาอย่างเงี้ยนะยกให้เทวดามีความสุขเถอะอย่างเงี้ยนะอันกล้าคิดไม่ดีต่อเทวดาหรือเปล่าไม่นึกแช่งเทวดานะแต่ว่าปรารถนาให้เทวดานี่มีความสุขจริงๆนั่นแหละค <c oughs> รั้นทรงสแสดงเมตตาภาวนาโดยย่อตั้งแต่อุปจารสมาธิจนถึงที่สุดแห่งอัปปนาสมาธิอย่างนี้แล้วนะถ้อยคำตรงนั้นเนี่ยนะจะเป็นอุปจาระหรือเป็นอัปปนาก็ได้ตามสมควรแก่แก่อัธยาศัยของคนฟังว่างั้น ท่านแต่บางท่านเนี่ยฟาว่าสุคิโนวาเคมิโอฮนตุสัพเทสตาเนี้แสดงว่าโอ้โหท่านเป็นชานไปเรียบร้อยแล้วคนได้ชานก็ไม่ยากนะกันนะคนได้ชานนี่พูดถึงแผ่นดินเฉยเฉยนะนึกได้ชานเลยเนะี่ยก็บอกว่านึกถึงต้นไม้ก่อนที่แรกโอ้ใส่ใจด้วยความเป็นป่าหมดเลยเพอใส่ใจโดยความเป็นป่าปุ๊บในแผ่นดินเนี่ยไม่มีต้นไม้สักต้นเลยมันขึงเรียบนะ ปฐวีกระสินต่อได้เลยคนมีบุญเนี่ยคิดพักเดียวได้เลยพระราชาองค์หนึ่งนั่งดูฝากำแพงบ้านก็ได้ชานเนี่ยนะไมกระสินเรียบร้อยแล้วนะมันคนมีบุญเนี่ยนะไม่ยากนักหรอกคนบุญน้อยทำไงก็ต้องทำบุญต่อไปอ่าบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงเมตตาภาวนานั้นโดยพิสดารเมื่อกี้นี่ย่อๆเนาะ คนบางคนนี่ปฏิบัติตามไม่เป็นวหรอกว่างันสุกิโนอโวาเคมิโนโหนตุมีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอ hey, ะนี่เจริญตามยากเหลือเกินนะทำไงอะ่ะท่านก็เลยบอกว่าเยเกจินะนะสัตว์มีชีวิตเหล่าใดเราหนึ่งมีอยู่เป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีส่วนเหลือสัตว์เหล่าใดมีกายยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นพร้อมหรือเพีีที่เราเห็นแล้วหรื อ, อยังไม่ได้เห็นอยู่ในที่ไกล หรือในที่ใกล้ที่เกิดแล้วหรือแสวงหาที่เกิดนะก็จากหน้าแรกๆนั่นแหละฟังเอ๊ท่านเอามาจากไหนจะ อ, อยู่หน้าแรกๆกันแล้วขอให้ไปท่องมีใครท่องให้ฟังเนี่ยก็ <laughing> <laughs> อบอกว่าอันหนึ่งจิตของกุลบุตรใดสั่งสมแล้วในอารมณ์ต่างๆย่อมไม่ดำรงอยู่ในเอกคตารมโดยอารมณ์เบื้องต้นเลย แต่วิ่งไปตามประเภทของอารมณ์แล้วดำรงอยู่ตามลําดับทีเดียวคือสะสมอารมณ์มาเยอะนะทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโภตาภาทั้งธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ไม่ได้มีอย่างเดียวนี่ใช่ไหมมีเยอะแยะมากมายทั้งบัญญัติทั้งปรมาอที่เป็นธรรมอารมณ์มันคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดมากแล้วเกินถ้าอย่างนี้ทํำยังไงพระองค์ก็ออกแสดงแตกต่างหลากหลายของอารมณ์ต่อไปอีกเหมือนน เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยจะยังจิตกุลบุตรเหล่านั้นซึ่งติดตามแล้วติดตามอีกซึ่งอารมณ์ทั้งหลายอันต่างด้วยทุกกะหมวดสองติกะหมวดสามก็คือมีสัตว์ที่สะดุ้งและมั่นคงเป็นต้นให้ดำรงมั่นอยู่ได้ตอนต้นเนี่ยนะโ้ยให้มีความสุขเถอะมันไม่ดิ่งไปมันไม่เป็นเมตตาที่จริงๆอ่ะนะสืบเนื่องไปนี้ทาไงเอาใหม่พระองค์ก็บอกว่าให้ปรารบหลายสัตว์หลายประเภทเอากแล้วกัน นะตาซาวาทาวาราวาอนวะเซส า, านะตาขาก็คือสะดุง๊งอาตาาวาทานะทาวอนนะก็คือมั่นคงนะสัตว์ที่จะดุ้งและมั่นคงนั่นเองนี่เรียกว่าหมวด2อีกประการหนึ่งเพราะอารมณ์ใดเจมแจ้งแก่กุลบุตรใดจิตของกุลบุตรนั้นย่อมดำรงมั่นอย่างสบายในอารมณ์นะั้นนะเมตตาของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะบางคนนี่นึกถึงคนที่มั่นคงแล้วได้ชน้น บางคนนึกถึงคนที่สะดุ้งและเมตตามันเกิดนีนแสดงว่าสะสมมาแตกต่างกันแม้แต่เมตตาเหมือนกันนะแต่อารมณ์ของเมตตาเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยเจริญกับคนอ้วนแล้วได้ฌานอย่างเงี้ยคนเจริญกับคนผอมแล้วได้ฌานเนี่ยให้รู้เถอว่าจิตมันวิจิตอย่างนี้แหละสะสมมามากมายมหาศาล <c oughs> เพราะฉะนั้นทรงประสงค์เพื่อจะยังจิตของกุลบุตรนั้นดํารงมั่นอยู่ในอารมณ์อันเจ็มนั้นนะอารมณ์ใดชัดก็เอาอารมณ์นั้นแหละ จึงตรัสคาถาสองคาถานี้ว่าเยเกจิสัพพูตาเอ่อเ ย, ยเกจิอะไรต่อเองอะไรนะอะไรนะอ่เ ย, ยเกจิปานภูตัดถตซาวาทาวราวาณวาเซซายัางหลงเลยอ่าพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาสองคาถานี้นะอันแสดงประเภทแห่งอารมณ์ที่เป็นทุกขะทุกขะแปลว่าแปลว่าอะไรนะหมวด2ะติกะหมวด3 มีความสะดุ้งและมั่นคงเป็นต้นแกพิกษุเหล่านั้นนะในคาถานี้ทรงแสดงทุกะ4นะทุกะคือหมวด2เนี่ยนะแบบแบบเป็นคู่คู่อย่างี้มีอยู่4คู่ด้วยกันนะก็คือหมวด2งแห่งสัตว์สะดุ้งและมั่นคงก่อนอันนี้คู่ที่หนึ่งนะทุกะที่1ทุกะที่สองก็คือหมวด2แห่งสัตว์ที่เห็นและไม่เห็นนี้ชุดที่สอชุดที่3ก็คือ หมวดสองแห่งสัตว์ที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้นะหมวดที่3ก็คือนะภูตสัตว์และสัมภเวสีสัตว์นะที่เกิดแล้วหรือสแสวงหาที่เกิดอันนี้เขาเรียกว่าสคู่นี้เรียกว่าทุกกะอันนี้ติกะหมวดสมหมวดสก็คือหมวดสามแห่งสัตว์<ไ>กายาวหรือใหญ่สั้นปานกลาง น, นี้ติกะที่หนึ่งติกาที่2ก็บอกว่าหมวดสามแห่งสัตว์ใหญ่เล็ก และปานกลางหมวดที่3ก็คือสัตว์อ้วนสัตว์เล็กและสัตว์ปานกลาง น, นะเพราะเกิดประโยชน์ในติกะทั้งสามแห่งสัตว์มีเท้าปานกลางและในติกะทั้งสองแห่งสัตว์มีเท้าเล็กนะด้วยบททั้ง6มียาวเป็นต้นนะโอส้สมแขกสัตว์หลายชนิดด้วยกันนะเพื่อให้ได้เจริญเมตตาได้วิจิตเหมือนั้นเถอะให้คนพร้อมมีความสุขให้คนอ้วนมีความสุข ไ, ไหมวะ น, นะ น้องโปนี่พระพุพทธพจน์นะแสดงอ่ะไปนึกอย่างอื่นเป็นอาคุศลไม่ได้นะซวยเนอต่อไปนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วคือมีลมหายใจนั่นเทียวชื่อว่าปานภูตาว่าไงอีกอย่างหนึ่งปานานี้เพราะอาจว่าสัตว์ทั้งหลายมีลมปราณทรงถือเอาสัตว์มีขันห้าทั้งหลาย ผู้เนื่องด้วยลมอัศ ส, สาสะและลมปสัสสาสะด้วยบทว่าปานาเยเกจิปานะพูตถีเนี่ยปานาตัวนี้หรือปานะตัวนี้หมายถึงสัตว์ที่มีขนห้านะหรือสัตว์ที่มีลมอัศสาสะปัสสาะสะไอพรมหายใจหรือเปล่าไม่หายใจนะผมไม่หายใจแต่แดงมันไม่ต้องใช้ออกเิียนเลยนะแต่ก็คือสัตว์ทั่วไปนั้นโดยมากแล้วนะมีลมหายใจ เชื่อว่าภูตานะภูตานี้พระอัฏวะสัตว์าาทั้งหลายมีอยู่ทรงถือเอาสัตว์มีขันหนึ่งและขันสี่ด้วยบทว่าภูตานี้นะอสัญญาสัตว์และอรูปปรมอธินี้ก็คือมีอยู่หรือปรากฏอยู่นะสัตว์ทั้งที่เป็นตานะและภูตะที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสแสดงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอันพึงสงเคราะห์ด้วยทุ ก, กะและติกะ ด้วยพระดำรํำรานี้ว่าเยเกจิปานะภูตถิรวมเข้ากันอย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงแสดงถึงสัตว์เหล่านั้นแม้ทั้งหมดสงเคราะห์ด้วยทุ ก, กะนี้ว่าตสาวาทาวราวาอนาวาเสสารเนี่ยนะตะสาตัวนั้นแปลว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุง้งสัตว์ที่สะดุง้งนะตะสาานั้นเป็นชื่อแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีตันหาและมีภัยนะยังละโลภโทสะโมหะไม่ได้นี่แหละก็ เ, เรียกว่าสัตว์ที่ยังสะดุ้งอยู่ นะสะดุ้งด้วยอํานาจของโลภะนะไพตัวนั้นก็คือโทสะนะผู้ที่ยังมีโลภะโทสะโมหะอย่างนี้แหละเรียกว่าสัตว์ที่สะดุง้งส่วนทาวราเนี่ยเพราะอัดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมมั่นคงคําว่าทาวรานั้นเป็นชื่อของพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ละการดําเนินไปแห่งตัญหาแลว้วนะก็คือเจริญเมตตาไปหาพระอรหันต์ทั้งคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์นั่นเอง ชื่อว่าอนวะเสสาเพราะอาจว่าสัตว์เหล่านั้นไม่มีส่วนเหลือลงก็แปลว่าเจริญให้หมดนะไม่มีเหลือเลยทั้งผ้าอรหรันทั้งผู้ที่ไม่ใช่พ้าอรหรันต์ก็ท่านมีความสุขให้หมดเถอะนะถ mm ้า hmm. เจริญไปหาผ้าอรหันต์นี่คงเจริญไม่ยากนะขอให้ผ้าอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านมีความสุขความเจริญอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อสุขแต่โลกลน่าจะเจริญง่ายนะเจริญ hmm. ให้คนมีกิเลสอัจโทสะอาจจะเกิดอย่างไงนะก mm ็เจริญให้ผ้าอรหันต์ทั้งหลายจะได้ดีนะ mm hmm. ก็คําใดที่ตรัส ในที่สุดแห่งคาถาที่สองคำนั้นทั้งหมดผู้ศึกษาพึงเชื่อมกับทุกกะและติกะว่าสัตว์มีชีวิตเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่เป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีส่วนเหลือสัตว์นะขอสัตว์ทั้งหมดแม้เหล่านี้จงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วหรือสแสวงหาที่เกิดมีอยู่เพียงไรขอสัตว์ทั้งทั้งหมดแม้เหล่านี้จงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดนะให้สัตว์เนี่ยมีความสุขจริงๆ จนถึงว่าอีกอย่างหนึ่งนะก็คือสัตว์ที่มีกายยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นไปต้นนี้ก็พออ่านได้แล้วนะก็ไปอ่านเอากันแล้วกันทีนี้น่าสนใจนะก็คือหน้า385ร้าก็คือพูดกับสัมภเวสีนะที่ตรงนี้เขาปแปล ว, ว่าสัตว์ที่เกิดแล้วหรือสแสวงหาที่เกิดก็บอกว่าส่วนสัตว์ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็พอได้แล้ว นะก็เจริญไปกระทั่งแม้สัตว์ที่ไกลหรือที่ใกล้นะที่ผอมอ้วนปานกลางสั้นอะไรพวกนี้ก็เจริญให้หมดแหละทีนี้คำว่าภูตาหรือพูดนี้เป็นชื่อของผู้เป็นพระขีนาศนะคำว่าพูดแต่ศัพท์ว่าพูดนี้มีหลายอัดนะพูดบางอย่างเนี่ยนะยานีทะภูตานีสมาคตานีพูดตรงนั้นเนี่หมายถึงพวกมนุษย์หรือพวกเทวดานั่นเองนะคำว่าพูดบางทีเนี่ย เป็นปาจิตีนะเพราะภาคภูตคามไอ้คำว่าพูดบางแห่งนี่เป็นชื่อของต้นไม้อั้นคําว่าพูดนี่มีหลายในด้วยกันนะอย่างมหาพูดนี่เป็นชื่อของมหาภูต ร, รูปสี่นะคาว่าภูตศับนี่มีหลายความหมายนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราในชะเขาอย่างเดียวก็มีทั้งหลายสับหลายความหมายนะคำไทยเนี่ยส่วนสัมภเวสีเพราะอาจว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมสแสวงหาที่เกิด คำว่าสัมภเวสีนั้นเป็นชื่อของพระเสขและปุตตุชนทั้งหลายผู้สแสวงหาที่เกิดแม้ต่อไปเพราะความเป็นผู้ยังละภาวะสังโยชนไม่ได้เชื่อไหมว่าเจตนาของพวกเรานะสแสวงหาที่เกิดตลอดเลยนะเจตนากรรมนี่มันสแสวงหา น, นะวิบากและกรรมมาสรุปอยู่ตลอดเลยนะเห็นปับจิตเป็นบุญเป็นบาปหูได้ยินจิตเป็นบุญเป็นบาปเป็นต้วเนี่ยพวกนี้หาที่เกิดตลอดเลยนะทำกรรมอยู่ตลอดเลยนะก็เจริญเมตตาไปหาพวกที่ยังสแสวงหาที่เกิดอยู่นะ เขายังละโลภะละทิฏฐิละมานะไม่ได้ยังเกิดอีกนานแต่ก็เกิดก็ขอเกิดแบบมีความสุขนะอย่างเงี้นะทำเหตุก็ขอให้ทําเหตุเพื่อความสุขความจเจริญนะก็จะเจริญเมตตาไปอีกอย่างหนึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแต่ไข่และเกิดแต่คันในบรรดากําเนิด์สียังไม่ทําลายกระเปาะไข่และไม่ทําลายรกออกมาตราบใดชื่อว่าสัมภเวสีตราบนั้นถ้าอยู่ในคันก็อยู่ในไข่นี่ชื่อว่า สัมภเวสีอันนี้ในที่2นะสัตว์ทั้งหลายที่ทําลายกระเปาะไข่และทําลายรกออกมาภายนอกชื่อว่าพูดนะก็คือคลอดออกมาแล้วนะฟักและคลอดและอย่างนี้ชื่อว่าพูดนในที่2หรือว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในเท่าคลายและโอปปาติกะชื่อว่าสัมภเวสีในขณะแห่งปฐมจิตผวังดวงแรกที่เกิดขึ้นปั๊บปฏิสนธิจิตดวงแรกะนะเป็นเรียกว่าสัมภเวสี จำเดิมแต่ขณะแห่งจิตดวงที่สองชื่อว่าพูดอีกนายหนึ่งอีกนายหนึ่งหรือว่าเกิดด้วยอิริยาบถใดยังไม่ถึงอิริยาบถอื่นจากอิริยาบถนั้นตราบใดชื่อว่าสัมภเวสีตราบนั้นต่อจากนั้นไปก็ชื่อว่าพูดนะโอ้มีหลายอัดนะนะชอบอัดไหนก็เอาไปเอเจริญเมตเอาไปเจริญเมตตานะพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสแสดงเมตตาภาวนาในศาสตร์ทั้งหลายด้วยอํานาจแห่ง การปรารถนาเพื่อถึงหิตสุขหิตาก็คือประโยชน์เนาะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งปวงโดยประการต่างๆในสองคาถากึ่งว่าสุขิโนโวาเคมิโ น, โนเป็นต้นเนี่ยนะสุขิโนาวาเคมิโนฮุตุสัพเทสตาภวันตุสุขิตตตานะจนถึงเยเกจิปานะภูตัดทิตสาวาธ า, าวารานวาเสสาพวกเนี่ยนะบัดนี้เพื่อจะแสดงเมตตาภาวนานั้นะ แม้ด้วยอำนาจแห่งการปรารถนาเพื่อไม่ให้ประสบอหิตสุก อ, ห, อ, ห, อ, ห, อ, ห, อหิตทุกก็คือไม่อยากให้เขาได้รับความทุกข์ น, นะก็คือเจริญเมตตาว่าสัตว์ทั้งหลายนี่อย่าได้ตกทุกข์เลยอย่างนั้นทีแรกเจริญให้เขามีความสุขก่อนแต่ตอนหลังจึงบอกว่าณปรโรปรังนิกุปเปถะเนี่ยซึ่งคําว่าปรโรได้แก่ชนอื่นป ร, รังได้แก่ซึ่งชนอื่นอย่างนั้นณนิกุปเปถะนี่ก็คือไม่พึงข่มขู่อย่างนั้น สัตว์อื่นไม่พึงข่มขู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นเขาในที่ไหนๆ ไ, ไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเนี่ยนาติมันเยธะก็คือไม่พึงดูหมิ่นล่วงเกินกันเอออย่าไปดูหมิน่นอย่าไปล่วงเกินกันอย่าไปดูถูกดูแคลนกันนะนะข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่เขาโอวาทกันนะเออพี่น้องอยู่ด้วยกันดีๆนะอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งอย่าไปตบตีกันนะอันนี้ทํายังไงจะไอความคิดอันนี้จะแผ่กระจายออกได้นะ เพราะฉะนั้นกัตจิก็คือในที่ทั้งหลายมีอาทีว่าในโอกาสในโอกาสคือที่ใดที่หนึ่งะนะในคามคามก็คือหมู่บ้านในเขตใน่ามกลางญาติหรือ่ามกลางบุตพรพันธ้อยู่ในที่ไหนก็ตามว่างั้นเถอะสัตว์อยู่ตรงไหนก็ขอให้อย่าไปคมคูอย่าไปดูหมิน่นอย่าล่วงเกินกันนะว่างั้น กินจีได้แก่ซึ่งบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นกษัตริย์ก็ตามพราหมณ์ก็ตามคฤหัตก็ตามบันประชิตก็ตามคนรวยก็ตามคนจนก็ตามอย่างนั้นไห้คนเหล่านี้ทั้งหมดอย่าไปดูมิ่นคมคูอย่าไปล่วงเกินซึ่งกันและกันเลย่างนั้นนั้นใครที่สามารถคิดในลักษณะนี้ บ, บ่อยๆคนนั้นก็เมตตาเกิดได้บ่อยพยาโรสนาปฏิคัั้งยาความว่าด้วยความฉุนเฉียวโดย พิการทางกายและทางใจวิการนี่ก็คืออาการที่แสดงออกมาที่ไม่น่าชมอ่ะนะเช่นยกมือขึ้นจะตบจะตีเป็นต้นอันนี้เรียกว่าพิการนะจริงจบาลีว่าวิการนะแต่ว่าไอว้วแหวนส่วนใหญ่แปลงเป็นพอพานมากนะไม่ใช่ไปพิการแบบพิการจริงๆอ่ะนะแต่อาการกิริยาที่ไม่น่าดูน่าชมนี้ก็ชื่อว่าพิการอย่างหนึ่งเหมือนกันพยาโรสนาปฏิคัซัญยานี้ตรัสว่าอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องบาลีอ่ะนะ เกี่ยวกับเรื่องการสะกดไวยากรณ์ทางภาษาเขาซึ่งจะไม่อธิบายตรงนี้บทว่านานยมัญยสะทุกมิชเชออยะความว่าไม่พึงปรารถนาทุก์แก่กันและกันอ่ามีอธิบายอย่างไรมีอธิบายว่าไม่พึงเจริญเมตตาด้วยอำนาจแห่งการมนสิการอย่างนี้ว่าจงมีความสุขมีความกเกษมเถิดอย่างเดียวเท่านั้นนะอย่าไปให้เขามีความสุขอย่างเดียวนะนะก็คืออย่าอย่าเจริญแค่นี้เหมนกันเด้อ แต่พึงมนสิการแม้อย่างนี้ว่านะเจริญเพิ่มเติมอีกว่าทําอย่างไรเนอบุคคลอื่นบางคนไม่พึงข่มขู่บุคคลอื่นรายราด้วยคําโกรธทั้งหลายมีการหลอกลวงเป็นต้นอย่าไปหลอกลวงอย่าไปช่อโกงทุจริตอะไรกันนะแบบนั้นเถอะและไม่พึงดูหมิ่นบุคคลอื่นรายราในประเทศใด ป, ประเทศหนึ่งด้วยเรื่องมานะมีชาติเป็นต้นคือไม่พึงปรารถนาทูกแก่กันและการเพราะความชุนเฉียวหรือเพราะความเคียดแค้น นี่ก็คือเจริญนึกให้นึกคิดอย่างนี้เป็นไปกับสัตว์ทั้งหลายบ่อยๆนั่นแห ะ, ะเมตตาเรื่องที่จะคิดอย่างนี้มันไม่ค่อยคิดเลยเนาะแต่คิดอย่างนี้นี่เป็นคนมีปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนะคือโดยมากเรามักจะคิดไปในทางเรื่องโทสะนะครับเครียดแค้นทุกวันอย่างนี่พูดถึงเรื่องต่างชาติอะไรอย่างนี้นะพอไปเที่ยวยุทธยาก็มันคิดเลยนะ <c oughs> ไปไปด้วยแสงและเสียงที่อยุธยาเพราะมันต้องคิดอย่างแบบนั้นนะครับ มันมีแนวโน้มที่จะคิดแบบนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นในคำสอนนี้อละเอียดละ อ, อจริงๆละเอียดละออมากๆเลยฟังแล้วก็เคลื่อตามเลยนะมม ไ, ยไม่แน่ <c oughs> <c oughs> ไม่ง่ายนะตอนตอยู่คนเดียวมันไม่ได้คดอย่างน น, นะ ค, <c oughs> คือตอนที่ <c oughs> ท่องอย่างหนึ่งนะ ตอนที่ท่องอย่างหนึ่งกับตอนที่จิตเป็นเมตตาจริงๆเนี่ยดูดูแล้วมันจะเป็นอันตการหรือเปล่าครับอ <c oughs> แต่พูดถึงว่าถ้าท่องนะฮะกับไม่ท่องหรือไปท่องแบบอกุศนแตกต่างกันเยอะจนิงนแตกต่างกัจนจะว่าไม่ใช่เรอย่าไปเอาอย่างลาอย่างหนึ่งเลยนะอย่าไปเอาอย่างลดยอย่างหนึ่งเลยว่าธรรมะนี่ต้องคิดหรือต้องพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยคือการใช้ศัพท์นั้นมันจะมันจะมีปัญหาเพราะว่าพระองค์ก็แสดงว่าทั้ง ฟังทั้งแสดงสาธยายตามเพ่งด้วยใจ น, นะเอาหมดเลยนะคือถ้ามันเป็นกุศลในอย่างใดอย่างหนึ่งทําได้ก็ทําไปเถอะมางอันเถอะเพราะการท่องเป็นต้นนะกิริยาที่ท่องเป็นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล เ, เป็นอัพยากตะหมอเก่งมาก <laughs> ที่สวดสวดกั น, น, นะ เ, นเนี่ยนะเป็นไม่ได้เป็นกุศลหรืออกุศลหรอกไอเสียงที่สวดเป็นต้นหรือคําท่องเหล่านี้เนี่ยนะแต่ว่าไอชาวนาจิตที่เกิดขึ้นนั่นแหละ แต่คนเนี่ยนะแต่ถ้าคิดบ่อยๆนะใจมันน้อมนะนะคิดให้คนอื่นมีความสุขบ่อยๆนะแรกๆมันไม่ไปหรอกมีฝรั่งคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่กลัวมากที่สุดเลยนะเข้าเข้าสู่สงครามเนี่ยปไปรบเนี่ยเป็นทหารเนี่ยกลัวมากเขาบอกว่าผมเนี่ยทําใจกล้าเขาว่าตอนหลังมันกล้าจริงๆเลย <c oughs> นั้นการน้อมไปเนี่ยมันไม่ไปกว่าจะน้อมอ่ะหลายๆครั้งเข้าเดี๋ยวก็ไปเองอ่ะไม่ต้องคอยให้มันเป็นก่อน แต่ฝึกไปนานๆเอ๊ะมันเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะมีศาสตร์หลายแขนงที่คนเนี่ยเป็นโดยที่อ้าวเป็นเมื่อไหร่เนี่ยมันเพลินไปเหมือนกันงนั้นการฝึกเจริญเมตตาพวกนี้ก็เหมือนกันให้เอาแบบหลายๆอย่างแต่ก็อย่าไปไปดิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งให้ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอด้วยว่าทั้งท่องทั้งไม่ท่องอันไหนดีกว่าอันไหนกุศลเป็นไปได้มากกว่าเป็นไปได้ง่ายกว่าอัก็ต้องตรวจสอบตัวเองบ่อย แต่ถ้าพูดธรรมดาทั่วไปนะมาท่องโอ้ไฮสัตมีความสุขกับคนด่ากันนี่เหมือนกันไหมคําถ้อยคําก็แตกต่างกันนะถึงท่องก็ช่างเถอะท่องกับ น, นึกแช่งเนี่ยนะต่างกันเยอะนะก็เขาท่องก็ดีแล้วดีกว่าเขานึกแช่งคนอื่นอ่ะเอาท่ อ, ทองไป <c oughs> เอออย่าไปเอามากนักมันั้นคนบางคนเขาความสามารถเขาได้แค่นั้นเองก <c oughs> ็ไปที่โเมินะผมได้รับคําถามบอกว่า เออถ้าหากว่าท่องพุทโธนี่จะเป็นท่องพุทโธพุทโธเนี่ยจะเป็นเป็นการเจริญพุทธคุณไหมเจนค่ะมีคนถามแบบนี้นะครับถ้าเราถ้าเรามาเปรียบว่าบุคคลนั้นท่องอย่างนั้นนี่นะยิ่งถ้าท่องออกมาด้วยวาจาด้วยเสียงนี่นะถามว่าการท่องแบบนั้นเนี่ยท่องด้วยจิตประเภทไหนมีอะไรเป็นปัจจัยบ้างมีจิตเป็นปัจจัยแน่ใช่ไหมครับ แล้วก็ถ้าท่องด้วยคํานี้แล้วทําทไมไม่ท่องคําอื่นเจริพ่อใช่ใชแล้วคนนั้นทําไมจึงไม่ท่องคําอื่นแล้วเขาท่องน่ยเขาเอามาจากไหนแล้วถ้าท่องคําอื่นจะมีความหมายจิตเขาเนี่ยจะแตกต่างกับคำว่าพุทโธไหมอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหมายความว่าถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ใช่เป็นพุทธคุณที่ลึกซึ้งนักนะฮะแต่ก็อย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้ปัญญาประกอบก็ยังเป็นแค่อวิปรยุตก็น่าจะเป็นไปได้นะ นึกคิดเดกในหนึ่งนะคำว่าพูดโธเนี่ยเป็นหาคําที่หาฟังได้ยากตลอดเส้นกลับเนี่ยนะเขาคิดกับคําว่าพูดโทรก็คิดถึงเพื่อนไหนะดีกว่าใช่ไหมโอ้พูดโทดีกว่าเยอะนะแต่ทีนี้ว่าถ้าเรามีโอกาสชี้แจงรายละเอียดคําว่าพูดโธเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอย่างไรก็ค่อยๆว่าต่อไปแต่ถ้าเทียบไปแล้วกิริยาอาการอย่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดกุศล ญ, ญาณวิปยุทธเขาก็เกิดเขาก็มีศรัทธาถ้าเป็นคนธรรมดาเขาจะมาคิดอย่างนี้หรอ เขาก็จะออกเสียงเป็นอย่างอื่นนะสายไม่เอกเป็นต้นแทนอย่างไงีะก็จะออกเป็นเสียงเป็นอย่างอื่นแทนทใช่หม <c oughs> แต่ทีนี้เขาเหล่านั้นก็ดีแล้วแต่ทีนี้ว่า <c oughs> สิ่งที่เขาทำนั้นน่ น, นะแสดงว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมากไปด้วยศรัทธานะเมื่อเขามีศรัทธาเป็นพื้นฐานในการนับถืออย่างนั้นดีอยู่แล้วทีนี้ทำยังไงให้เขามีความรู้เพิ่มต่อแต่อย่าลืมนะพระองค์แสดงว่าคนบางคนเนี่ยถึงไตสรสาระได้อย่างเดียวนับถือพระพุทธเจ้าเดียวแต่ได้ แต่ศีลเขารักษาไม่ได้บางคนนี่ได้ศีลห้าแต่ขยับเป็นศีลแปดนี่ยั ง, งไงก็ไม่ได้าบางคนแป <c oughs> ดได้แต่บวชเนนไม่ได้ยังไงก็บวชไม่ได้บางคนบวชเนนได้พระบวชไม่ได้ทํายังไงก็บวชไม่ได้อย่างไงอย่างเรื่องรูปนามขันห้าเหมือนกันบางคนเนี่ยกำหนดได้ปฐวีอย่างเดียวนะลึกกว่า น, นั้นไม่ได้บางคนได้มหาภูตารูปบางคนเลยอุปาทายรูปด้วยบางคนเนี่ยกําหนดนามได้พิจารณ า, านามได้บางคนเนี่ยพิจารณานามไม่ได้ทั้งอย่างเลยนะ เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยไม่รู้สักอย่างไม่กระดิกเลยอย่างนั้นเละแต่ว่าเออมหาภูทรูปเนี่ยพอได้บางคนเนี่ยไม่ได้สักอย่างเลยบางคนเนี่ยได้ที่ที่วิสุธทธิเป็นอย่างดีเลยบางคนกังขาวิตรณวิสุธทธิอั้นอัธยาศัยของศัตว์เนี่ยวิจิตจริงๆเลยนะนะความวิจิตเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปแต่งตั้งคนอื่นให้ให้มากเกินไปและคิดอีกอย่างหนึ่งนะคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นคนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้เออเราน่าจะเป็นพระโสดาบันเนาะนะ คนนั้นหูยเขาหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอ้เราน่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะคิดอย่างนี้บ่อยๆดินั่นแหละเสร็จแล้วก็จะได้ไม่ค่อยอ่นะคนอื่นเขาก็เป็นอย่อางนทะี่เขาเป็นนั่นแหละเขาไม่ต้องเป็นเหมือนเราหรอกแต่เราพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างถ้าคนที่เจริญเมตตาก็จะคิดในลักษณะนั้นว่าเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแลน ห, นหแะะนแะนละนน แ, ลแต่ทีนี้เราคิดยังไงจะเป็นกุศลกับเขาเอ่นะจะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้อย่างไรบ้างนั่นแหละตรงนั้นแหละครับ เขาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาจิตก็เป็นกุศลนะแต่แล้วเราคิดผิดเนี่ยนะเมื่อคิดผิดก็พูดผิดนะวิจารณผิดเนี่ยกลายเป็นว่าเออเราเองนั่นแหละนะว่าการท่องพุโทโธเนี่ยผู้ที่ท่องพุโทโธเนี่ยท่องในลักษณะอาการอย่างไรพ้วยความเคารพไหมด้วยการสงบไหมอะไรเงี้ยแตกต่างกันมากนะเราคิดดูนะว่าเออคนที่มานั่งท่องพุโทโธพุโทโธกับคนทําประมงเนี่ยไหนดีกว่ากัน แล้วเก็พยายามคิดอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้คนที่กําลังนั่งดูทีวีแย่ๆกับคนนั่งคิดพูดโธ้พูดโธ้ไหนดีกว่าใช่ไหมทีนี้แต่ว่าเราจะไปเอาโหยาณสามประยุทธ์หมดเล่ <c oughs> ของเราน่าจะเป็นกุศลได้ทั้งวันนะวันนี้เนี่ยก็เอาอย่างนี้บ้างนะถ้าถ้าเราแบบนี้บ้างก็จะเป็นไปดีแต่ทีนี้จะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเราก็ขอให้เราเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นได้ไหม ในยาหนึ่งในยะหนึ่งเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างนะแล้วในโลกความเป็นจริงเนี่ยเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาน่าจะเป็นอย่างนี้ไอ้แล้วจริงๆเขาเป็นได้ไหมล่ะนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าการเจริญเมตตานั้นถามว่าเขาจะมีความสุขจริงๆไหมนะเขามีความสุขจริงไหมพระพุทธเจ้านะตอนที่พระองค์มีพระชนเนี่ยพระองค์นี่เข้าเมตตาชา น, นี่นะอาจจะมีเราเป็นอารมณ์อยู่ในนั้นด้วยแล้วเรามีความสุขหรือเปล่า แต่พระ อ, องค์ก็ได้เมตตาพระ อ, องค์ก็เป็นฌานจิตไปอย่างสมมตินะยุคนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจมีคนที่เขากําลังเข้าฌานมีเมตตาพวกเราเป็นอารมณ์เลยนะเป็นฌานแต่เรามีความสุขขึ้นไหมเราก็มาด้วยกรรมของเรานะต้องไม่ลืมหลักกรรมมาสกดาแต่คนที่เจริญเมตตาขณะนั้นชาวนะเขาเป็นกุศล่ะชาวนะอันนั้นเขาพอกพูนความคิดอันนี้มากๆอย่างสมมุติเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเจริญเมตตาให้คนขับรถให้มีความสุขความเจริญนะ นี่เขาเกี่กัเรื่องของเข้าไปแต่เมตตาเราเกิดแต่ถ้าเรามีเมตตาจริงๆรนะระดับเหมือนพระเวสสันดรเนี่ยเมตตาของพระเวสสันดรในในอนาบริเวณ16กิโเมตรสัตว์ไม่เบียดเบียดกันนะอนุภาพท่านขนาดนั้นหรือพระที่เป็นเอตถคะด้านเมตตาจริงๆเนี่ยเดินเฉียดวัดท่านสงบเลยนะถ้าถ้าคนที่มีเมตตาจริงๆเนี่ยนะอยู่ด้วยเมตตามากๆเนี่ยเดินผ่านวัดเฉยเฉก็มีความความสงบแล้นะหรือคนที่มีเมตตาจริงๆนะ คุยกันนี่ๆหน่อยๆก็มีความสุขแล้ะแต่ถ้าคนมีโทรศรัพนี่ก็เห็นหน้ากันนี่ก็เครียดขึ้นละนั้นเมตานั้นถ้าหากว่ามีเมตตาระดับจริงๆก็สามารถที่จะช่วยให้คนอื่นเขามีความสุขได้เพราะถ้ามีเมตตามนโนกรรมก็จะเลยไปหาเมตตาวจีกรรมได้ใช่ไหมไปหาเมตตากายกรรมได้เป็นต้นแต่ไม่ใช่ว่ามีเมตตาแล้วก็เมตตาคนอื่นเสร็จแล้วลืมเมตตาตัวเองเลย เ, ยเมื่อเรามีเมตตาอย่างนี้เอ๊ะชี้อยากช่วยให้เขามีความสุข ไอ้แรกๆอ่ะใช่นะเมตตาเขาจริงๆพอไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วโทสะมันเกิดอย่างไงแสดงว่าตัวเองนี่ขาดเมตตาต่อตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเมตตานั้นจะต้องไม่ลืมเมตตาตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเพราะปัญหาหลายๆเรื่องไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปแก้ได้หมดนะเราก็ไปดูว่าในเรื่องนั้นๆเนี่ยเรารักษากุศลเจตนาได้ตลอดรอดฝั่งไหมในเรื่องที่เราจะเข้าไปทําไม่ใช่โอ้โหเมตตาพับทําพับไปเลยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก นนะก็ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นต้นอันคนที่จเจริญเมตตาจึงศึกษามแม้กระทั่งสัพปายะเจ็ดด้วย น, นะไม่ใช่ไปจเจริญเมตตาผิดอันนะผิดแห่งผิดที่ผิดอะไรเสร็จแล้วไปบอกเมตตาไม่ดีไม่ได้อันเนะมตตาไม่ดีไม่ได้เพราะจะต้องรู้หลักอนเนวะลาหมดแล้วครับก็